เกียดคร้านคือคนพิการมีสมองก็ฟอมีแขนก็ด้วนมีขาก็ง่อยมีตาก็บอดมีหูก็หนวกมีนิ้วก็ด้วนส่วนคนพิการจริงแม้จะหูหนวกตาบอดง่อยเปลี่ยเสียขาก็ทำประโยชน์ได้หาก ใจไม่พิการตามพระอุดมยานโมลีจันศีจันทะทีโปวันนี้เราก็มาฟังธรรมกันเรามาฟังธรรมะเพื่อว่าเป็นแนวทาง ของการนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราฟังแล้วรู้แล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไปไม่ได้นําเอามาฝึกหัดปฏิบัติก็จะได้ประโยชน์น้อยมากโดยเฉพาะเรื่องของธรรมะเนี่ยเรื่องการดับทุกข์การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นแนวทางการปฏิบัติเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าเรานําเอามาใช้ร่วมกันหมาถึงว่าฟังแล้ว ลองทําดูลองหัดลองฝึกดูแล้วก็จะเห็นผลเราจะเข้าใจในตัวเราเองไม่ใช่ว่าฟังที่คนอื่นเขาบอกแล้วก็เชื่อดายไปอันนั้นแสดงว่าเรายัางไม่ได้ใช้สติปรรัญญาพินิจพิจารณาต้องนาเอาไปฝึกอย่างเช่นธรรมะเขาบอกไว้ว่ากายกับจิตเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์เราเชื่อไหมว่ากายกับจิตเนี่ยที่เรา อาศัยอยู่เนี่ยเป็นที่ตั้งในกองทุกข์จริงต้องพิสูจน์ดูเราได้นยนได้ฟังว่าอ๋อกายเนี่ยมันต้องเป็นทุกข์อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็กระหายน้ําเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็เป็นโรคนั่นโรคนี้เดี๋ยวก็ขับถ่ายหนักถ่ายเบาเดี๋ยวก็ต้องหายใจโอ้นี่ทุกข์ของกายทั้งนั้นเลยทุกคนเข้าใจนะ เข้าใจในส่วนนี้แต่เรายังไม่เห็นทุกข์ของกายที่แท้จริงหรือทุกข์ของจิตใจก็ตามจิตนี่ก็เป็นที่ตั้งกองทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอใจเราก็เป็นทุกข์ละหรือว่าเรารักสื่อใดก็ตามแต่ต้องพลัดพลากสิ่งนั้นไปใจเราก็เป็นทุกข์หรือ เราไม่แด้งใจเราอยากได้อย่างนูน้นไม่อยากได้อย่างนี้แต่ทุกอย่างนี่มันขัด อ, อกขัดใจเราทั้งนั้นเลยืใจเราก็เป็นทุกข์นะแล้วเราก็เชื่อนะฟังแล้วเออจริงๆเขาบอกกั้นจริงแต่แล้วเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะอาการเหล่าเนี้ยเสมอทุกข์เพราะร่างกายที่ไม่ปกติมีความทุกข์บีบคั้นเราก็ยังเป็นทุกข์ตามที่ร่างกายเขาเป็นอยู่ทุกข์เพราะจิตใจที่ไม่แด้งใจเราเราก็ยังเป็นทุกข์ น, นี่เรารู้แล้วนะแต่เราก็ยังเป็นทุกข์อยู <c oughs> ่แสดงว่าเรายังรู้ไม่จริง <c oughs> กายจิตเนี่ย <c oughs> เขาแสดงทุกข์ให้เราเห็นอยู่เรื่อยแต่เราก็ไม่ได้สัมผัสไม่ได้เข้าถึงออกถึงใจจริงๆเราก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรานะเป็นทุกข์ของเรากายจิตเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราทั้งน้ที่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราแล้ ว, ลวก็เข้าใจ ท่านยิงแนะนําว่าถ้าเราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางจิตให้เป็นเราเสียได้เนี่ยไม่ถึงว่าปล่อยวางไปเลยไม่ยึดติดเนี่ยใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์นะเราก็จะพ้นทุกข์เพราะว่าคำนี้ทุกคนก็เข้าใจแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงใจเพราะว่าการที่จะปล่อยวางกายป่อยวางจิตได้นั้นเนี่ยจะไปคิดเอาไม่ได้นึกคิดเอานี่มันยังปล่อยไม่ได้ บางทียิ่งคิดก็ยิ่งยึดติดก็มีนะคิดเอาไม่ได้ได้ยินได้ฟังอย่างเดียวก็ไม่พอคิดนึกเอาก็ไม่เพียงพอมันต้องมีการปฏิบัติลรงบือปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงว่าอ๋อกายจิตเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงควรจะปล่อยวางจริงๆไม่ควรยึดมั่นถือมันภาคทฤษฎีเนี่ยได้ยินได้ฟังได้คิดยังไม่เพียงพอจึงต้องมีภาคปฏิบัติกเรียกว่าภาคสนาม ภาวนาภาวนาคือการปฏิบัติมันจะเกิดปัญญาที่แท้จริงที่เราได้ภาวนาฟังธทมแล้วนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติก็คือการเจริญสติเนี่ยเจริญสติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอ๋อกายจิตเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นจริงๆการเจริญสติเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งนิ่งๆหลับตาให้ใจสงบเพียงอย่างเดียว หรือนั่งนิ่งๆสงบสงบแล้วก็ไปเห็นสิ่งนูน้นสิ่งนี้ซึ่งนอกเหนือจากการเจริญสติเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นการเจริญสติเนี่ยก็คือการมีสติรู้ลงไปที่กายที่จิตเฉพาะหน้าปัจจุบันเฉพาะหน้าเนี่รู้ตามที่มันเป็นจริงนไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ว่ามีสติและลึกรู้ลงไปที่กายที่จิต รู้ลงที่ปัจจุบันที่มันมีมันเป็นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญสติแล้วบางทีเราต้องอาศัยรูปแบบบ้างารูปแบบของการเจริญสติมันก็มีเยอะบางทีเราก็ไม่ต้องอาศัยรูปแบบก็ได้ถ้าคนที่ชำนาญแล้วแต่ขอให้เรามีสติกันแล้วกั น, นเช่นว่าเราเคลื่อนไหวพลิกมือและมีสติรู้ยกมือแต่ละครั้งให้มีสติรู้ จะก้าวขาแต่ละก้าวก็ให้รู้สึกรู้ตัวว่ากาลังก้าวแหละเวลาจะเหลียวซ้ายก็ให้รู้สึกแลขวาก็ให้รู้สึกจะก้มก็รู้สึกจะเงยก็รู้สึกกระพริบตาอืมก็รู้สึกจะกลืนน้าลายก็มีสติรู้สึกฮะรู้ในอิริยาบถย่อยๆอย่างนี้แหละเพราะกายเรามันต้องมีการเคลื่อนไหวก็มีสติตามดูตามรู้ไป หรือบางครั้งจิตใจมันคิดมันนึกเป็ น, นเรื่องความพอใจแล้วก็มีสติรู้เมื่อจิตมันเกิดความไม่พอใจเป็นความโกรธก็มีสติรู้รู้ให้ทันรู้เฉยๆอย่างนี้แหละรู้ตามที่มันเป็นรู้กายที่เคลื่อนไหวเป็นขณะขณะรู้จิตที่มันคิดมันนึกเป็นขณะขณะจิตเหมือนกันรู้เฉยๆอย่าไปมีเงื่อนไขกับอาการรู้เหล่านั้น อย่าไปเพ่งอย่าไปบังคับรู้ตามธรรมดาธรรมดารู้แล้วผ่านเลยไปอย่าไปติดใจในสิ่งที่เรารู้หรือติดใจในผู้รู้รู้แล้วปล่อยมันผ่านไปเลยรู้ทิ้งรู้ปล่อยรู้วางจิตมันก็จะเป็นปกติพยายามรู้ให้ทันแต่ถ้ารู้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะรู้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรอย่าไปเสียใจรู้ไม่ทันแล้วก็รู้ใหม่รู้ใหม่รู้อีก รู้หลายครั้งจิตมันก็จะตื่นแต่บางท่านก็สงสัยว่าเราจะรู้ไปทาไมเราจะรู้สึกตัวไปทำไมเนี่ยจะรสติไปทำไมก็เป็นคำถามการที่เรารู้สึกตัวเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันความหลงลืมตัวเมื่อรู้แล้วก็ไม่หลงหรือเมื่อหลงปั๊บมีสติรู้ก็รู้ทันใลจิตที่มันหลงได้รู้เพื่อไม่หลง นะแล้วการรู้บ่อยๆเนี่ยทำให้จิตมันเคยชินเคยชินที่จะรู้สึกรู้สึกมันจะไม่หลงลืมตัวเองไอ้ที่เราหลงเนี่ยหลงเพราะอะไรหลงเพราะความคิดเนี่ยคือหลงไปคิดหลงไปยึดติดในความคิดแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่มาฝึกคับใหม่ให้มันรู้มากกว่าให้คิดให้รู้ตัวมากกว่าให้คิดเพราะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะใช้ความคิดแก้ปัญหา มากกว่าความรู้สึกตัวล้วนๆอย่างเวลาเราเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธนักปฏิบัติก็รู้ว่านี่คือความโกรธแต่ก็รู้แล้วไม่ผ่านรู้แล้วพยานที่จะคิดโอ้นี่ความโกรธนี่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันไม่มีตัวไม่มีตนหรอกใช้ความคิดเพ่งโทษนังความโกรธกว่าจะพ้นจากความโกรธได้นันบางทีก็นานก็ยังใช้ความคิดเอาชนะความโกรธ แต่ก็ยังดีนะดีที่ว่ายังเอาชนะความโกรธได้แม้แต่ใช้ความคิดพิจารณาใกล้ครวนแต่บางท่านที่ไม่ได้สนใจการปฏิบัติเวลาเกิดความโกรธปัก็ทําตามความโกรธพูดตามความโกรธปรุงแต่งเรื่องความโกรธให้มันรุนแรงทําไมถึงทํากับเราไม่น่าจะทํากับเราเป็นความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาททําให้ความโกรธเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้น แล้วก็ทําตามความโกรธไปก็เกิดปัญหาใช่ไหมอันนี้แสดงว่าปล่อยจิตปล่อยใจให้ติดลมจมปลักไปกับความโกรธอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้แต่ผู้ที่มีสติเนี่ยอ๋อการคิดไ ค, คลครวญมองเห็นทุกทนความโกรธก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยจิตปล่อยใจให้มันโกรธให้มันหงุดหงิดแต่ถ้าเรามีสติมีสติรู้สึกตัวเห็นความโกรธ มันโกรธมันเกิดความไม่พอใจหงุดหงิดเอามีสติอารู้แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะโดยที่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปช่วยละแค่รู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเลยรู้แล้วทิ้งไปเลยรู้แล้วก็วางไปเลยเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยสติมันก็เคยทิ้นที่จะรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางมันง่ายใช่ไความพอใจก็เหมือนกันที่เป็นความโลภอยากได้นู่นอยากได้นี้ เมื่อมีสติรู้ทันเนี่ยมันก็สามารถที่ปล่อยให้มันผ่านไปได้คนขาดสติเนี่ยเมื่อเกิดความอยากอยากได้อะไรสักอย่างหนึง่งมเกิดความอยากขึ้นในจิตปับ๊บจิตก็คุ้นคิดทำอย่างไรเนาะจะได้สิ่งนี้มาเป็นของเรามันสวยนี้เนี่ยมันของใหม่ๆต้องหาเงินเพื่อจะมาหาซื้อมันไม่มีเงินก็เขาหยิบเขา ย, ยืมปรุงแต่งติดลมจมปลัก ไปกับความอยากได้อยากมีอยู่นั่นแหละอันนี้คือผู้ที่ขาดสติไม่รู้ตัวแต่คนมีสติมันก็ดีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอ๋อพิจารณาใครค่ครวญดูโอ้ยอย่าไปอยากมันเลยสิ่งเหล่านี้เราก็มีอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นหรอกเนี่ยความอยากมันก็ไม่เที่ยงหรอกมันไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงก็คิดไปก็ยังดีกว่านะดีกว่าที่จะจะปล่อยจิตปอใจให้ตกจมอยู่ในความอยาก แต่บางทียิ่งคิดก็ยิ่งอยากนะแต่ถ้าคนเจริญสติเมื่อเกิดความอยากในจิตใจสติรู้ทันเออความอยากเป็นเพียงแค่อาการของจิตท่านั้นเนาะความโกรธก็เป็นเพียงแค่อาการของจิตท่านั้นเนาะรู้ทันแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่ไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งในความอยากหรือไม่อยากหรือไม่ต้องไปช่วยอะไรนะแค่รู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปอันนี้จะเป็นการฝึกหัด การเจริญสติการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมุ่งแต่ให้มันจิตมันสงบอย่างเดียวแต่มุ่งเพื่อจิตมันตื่นรู้ตื่นรู้ให้จิตมันตื่นรู้ทันอารมณ์ของกิเลสจิตมันก็จะผ่องใสสดชื่นเพราะในตัวสติก็มีสมาธิตั้งมั่นอยู่แล้วก็จะเป็นการตั้งมั่นรู้แล้วก็ปล่อยวางได้อันนี้เกิดจากการที่เราปฏิบัติทางนันเราต้องปฏิบัติ เราจะเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยกายจิตมันเป็นทุกข์จริงเห็นแจ้งแล้วว่าอ๋อกายเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นเราสามารถจะปล่อยวางมันแล้วก็ทําจิตให้เป็นอิสระจากความทุกข์ได้พอเราจเจริญสติมากมามันก็เกิดปัญญาเข้าใจเข้าถึงจิตถึงใจแล้วก็ปล่อยวางได้ไม่ต้องไปเชื่อผู้อื่นนะมันพ้นทุกข์ได้เนี่ยอย่างตอ น, นเนี้ยเนี่ยทุกท่านนี่ก็ ยังมีความทุกข์อยู่ถ้าไม่มีความทุกข์นี่ธรรมะไม่จําเป็นไม่ต้องปฏิบัติก็ได้แต่เรามีความทุกข์เราต้องปฏิบัติฝึกหัดเอาไว้เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของเราในยามที่มีความทุกข์มาเยือน